แต่พอทาเข้าจริงความสุขอยู่แป๊บเดียวก็หายไปเราก็หิวความสุขอีกแล้วเราก็ต้องดิ้นต่อไปอีกนนชีวิตในโลกก็ดิ้นไปเรื่อยๆนะหาความสุขแล้วก็หาไม่ได้เหมือนเหมือนจะได้แล้วก็หลุดมือหายไปเสมอนะถ้าเรารู้ว่าเราต้องการความสุขเรามาเรียนธรรมะนี่แหละถ้าเรา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 นักบวชก่อนพระพุทธเจ้านะเขาทำกั น, นบางพวกก็ใช้วิธีทำสมาธิให้นิ่งไปเลยนะจะได้หมดความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายพระจิตมันสงบอยู่ในสมาธิเน mm ี่ยความจริงหลงเข้าไปอยู่ข้างในความสุขของสมาธินะ mm hmm. ก็อยากอีกอยากให้มันอยู่ตลอดอีกน mm ี hmm. น่ไม่พ้นความอยากที่ประนีตนะบางพวกก็ไปทรมานกายอย่างที่เจ้าชายสิทธัตถะ ออกไปบวชจำได้ไหมไปฝึกเข้าฌานใช่ไหมฝึกเข้าฌานก็คือเพื่อจะข่มความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางร่างกายนั่นแหละเพราะเวลาที่จิตสงฌานนะจะไม่ติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายมันจะไปเพลินอยู่ทางใจเสร็จแล้วเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านมีปัญญาแก่กล้าท่านเห็นว่าถึงจิตมาสงบสุขอยู่ภายในนี่ก็ไม่ได้พ้นจากความอยากจริง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 นะอย่างที่นักพรสนักบวชทั้งหลายทาก็ไม่ได้แก้ปัญหานะเจ้าชายสิทธัทธถานะท่านก็เลยมาค้นพบทางสายกลางที่แสนดีแสนวิเศษค้นทางที่ท่านค้นพบนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างยิ่งท่านพบว่าการรู้ทุกนี่แหละเป็นวิธีทำลายตัญหาอย่างสิ้นเชิงรู้ทุกนะทำลายปัญหาได้อย่างสิ้นเชิง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 ร่างกายต้องการอาหารนะใจต้องการความอร่อยนะต้องการขันละอันกันอีกดนะังนั้นเวลากินอาหารนะถ้าอย่างพ้ากินนะพระอาหารมารวมกันนะท่านกินอะไรท่านกินอาหารฉันอาหารนะไม่ได้กินพิซซ่ากินแฮมกินอะไรต่ออะไรนะของเราเวลาจะกินต้องเลือกใช่ไมเลือกเลือกเลือกถามว่าเราเลือกอาหารนั่นนะเพื่อร่างกายจริงหรือเปล่าใช่ไหม สนใจก็เลือกกินเพราะชอบนะ่อยากเพราะอยากใช่ไมอยากอันนี้อยากอันนี้ไปดูถอะความอยากทั้งหลายนะมันเนื่องด้วยกายด้วยใจทั้งสิ้นเลยถ้าเมื่อไหรไ่ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะเมื่อนั้นจิตจะพ้นจากความอยากเป็นวิธีทำลายตัญหาที่เมื่อทำลายลงครั้งเดียวแล้วนะไม่มีตัญหาจะให้ทำลายอีกเนี่ยความอาศัศจรรย์อยู่ตัวนี้ในขณะที่คนในโลกนะทลายตันหาลงไปด้วยการตอบสนองตันตันหา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 กับความโลบความโกรธความหลงตรงไหนตรงที่ต่างก็ไม่เที่ย darum, งเหมือนกันต่างก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนะไตรลักษณ์เนี่ยคือล right. ักษณะร่วมของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าสามัญลักษณะเราจะต้องเรีย yeah. ha <s dinosaurs, S 2> นจนกระทั่งเราเข้าใจลักษณะร่วมของทุกสิ่งทุกอย่างที่แรกเวลาเรียนเราเรียนทีละอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นเรารู้แล้วเราเห็นว่าความโกรธดับไปความโลภเกิดขึ้นเรารู้แล้วเราเห็นว่าความโลภดับไปะ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 ทุกอย่างนั่นแหละจะเกิดหรือจะดับเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนะเนี่ยเราจะมาเรียนให้เห็นตรงนี้วิธีที่เราจะเห็นกายเป็นไตรลักษณ์วิธีที่จะเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ทำยังไงการดูกายดูใจเป็นไตรลักษณ์นั้นมันเป็นอยู่แล้วไม่ใช่เราไปสั่งให้มันเป็นไม่ใช่เราไปทาให้มันเป็นตัวมันเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วนะกายนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อยู่แล้วใจนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อยู่แล้ว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 คำว่าเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะคำว่าวิปัสสนานะปัสชนะแปลว่าการเห็นนะไม่ใช่เข้าไปทําอะไรทั้งสิ้นไม่มีคําว่ากําหนดโดยซ้าไปหลายคนชอบกําหนดแนละ้วบอกว่าทาวิปัสสนาต้องกําหนด น, นี่เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยวิปัสสนะแปลว่าเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องปัสชนะคือการเห็นนะไม่ได้ไปคิดนะถ้าคิดเป็นวิตกไม่ได้กําหนดนะกําหนดก็ไม่ใช่นะมันเป็นการกดการข่มไว้นะ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 ใจเรานี่เล่นละครทั้งวันเลยตอนหลดตอนแหลกก็มีใช่ไมมีไหมใครเคยเห็นใจตอนแหลกบ้างเมเจ้ามารยาเจ้าผู้ชายก็เป็นนะผู้ชายก็ยกนี่ดีมากที่เห็นเป็นทุกคนแหละเนะี่ยใจของเรานะชอบเป็นนักแสดงชอบแสดงตลอดเวลาไม่ใช่คนดูเราจะเปลี่ยนสถานะของใจจากผู้แสดงนะมาเป็นคนดูปกติใจเราชอบแสดงละครนะ แสดงบทรักแสดงบทโกรธแสดงบทสุขแสดงบททุกมันแสดงของมันทั้งวันนะปรุงไปเรื่อยเนี่ยปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกสารพัดจะปรุงร่างกายก็แสดงนะเวลาเราอยู่คนเดียวเราเคลื่อนไหวอะไรนี้เป็นแบบหนึ่งเห็นไหมเวลาเราเจอแฟนเรากิริยาท่าทางเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมเราเจอคนที่เรารู้จักคุ้นเคยเราก็แสดงอีกแบบหนึ่ง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 ยาวหลายๆอย่างไม่เอาพุทธโทธด้วยหายใจด้วยพองยุกด้วยนะรู้อิริยาบถด้อยด้วยประสาทกินดูไม่ทันหรอกนะเอาน้อยๆยาวเอาอยอะเอาเยอะ เ, ออยเราดูไม่ทันนะจิตจะฟุง้งซ่านเอาน้อยๆนะเช่นหนะายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่เอาสองอย่างรวมกันนะบางคนที่เอาพุทธโธอย่างเดียวบางคนหายใจอย่างเดียวก็ได้บางคนจะดูท้องพองยุกก็ไม่ต้องไปพุทธโทธไม่ใช่นะบางคนดูท้องพองยุกใช่ไหม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 นะวันใดที่หมดความยึดถือจิต Catalunya. จะไม่ยึดถืออะไรในโลกแล้วจิตนี่แหละเป็นศูนย์กลางของโลกของจั ก, กรวาลทั้งหมดเลยเรารู้สึกไหมเราดูโลกออกไปข้างนอกเราก็รู้สึกเราอยู่กลางใช่ไหมจั ก, กรวาลทั้งหมดเราก็อยู่ในศูนย์กลางนี้แหละแล้วเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเห็นในศูนย์กลางนี้มนไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแต่ตัวทุกรวนๆมันไม่ยึดตัวนี้ตัวเดียวนะมันจะไม่ยึดอะไรในโลกนี้อีกเลยนี่เป็นความอัศจรรย์ของธรรมะนะ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 เห็นว่าถ so so ้าไปยึดรูปเสียงกลิ่นรสปวดท่าพะอะไรเนี้เป็นทุกข์พอมาปัญญาแก่กล้าขึ้นเห็นว่าถ้ายึดในตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทุกข์ก็จะปล่อยตาหูจมูกลิ้นกายได้ปุ่มทำพระนาคาแล้วต่อไปเห็นว่าใจที่เหลืออยู่นี่เป็นตัวทุกข์จะปล่อยใจออกเป็นสิ้นสุดการปฏิบัติกันตรงที่ปล่อยจิตได้นี่เองอาศจรรย์มากเลยนะ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 ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะั้เราจะพ้นทุกข์าจะไม่ไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วนะความทุกข์เนี่ยเข้าถึงได้ร่างกายเท่านั้นนะจะไม่เข้าถึงจิตอีกต่อไปแล้วนะจะไม่มีอะไรคลเพื่อนเข้าถึงจิตได้อีกจิตจะสว่างแจ่มใสเบิกบานนะจิตของเรายังมีความทุกข์ผลแต่จิตที่ปฏิบัติ ด, ดีแล้วสมควรแก่ทาแล้วนะ มีแต่ความสุขกับอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งสุขที่ประนีตทุกความเราเหลือแต่ความสุขล้น้นๆลยฉน้จึงบอกว่านิพพานังประมังสุขขังฝึกเอานะชั่วโมงหนึ่งพอดีเทศยาวเลยวันเนี้ยธรรมดาเทศสี่สิบห้านาทีบังจายไเทศแอลแลนต้าวัดพระมหาชนก น, น, นะเทศเข้าไปได้ชั่วโมงครึ่งกาว่าเทศห้เขาฟังวันเดียว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 จันโธปนราโสยถามณีโชติระโสยทถาสพีติโยวิวัชชันตุสัพโรคโควินัสตุมาเตพวัตวันตรยโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโรโธรมาวัฏทันตีอายุวันโนสุขังพระลังส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 จะทาให้เราได้พลังงั้นใจป้าแปรไม่มีแรงสู้เอานะเนี่ย น, นิสัยครูนะเป็นห่วงลูกศิษย์วะ่ะกลัวมันไม่ทาสู้เอาสู้เอานะ